การรักษาใจให้สงบต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่รีบร้อนมักผลนิพพานเหมือนกันมันเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่มีความตั้งใจจริง คนมีความตั้งใจจริงนั้นก็คือคนที่คอยรู้คอยรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราสังเกต ด, ดูให้ดีลมเข้ายาวก็ห้รู้ลมเข้ายา ว, ว, า ล, มายาวลมออกยาว ก็ให้ยรู้ลมออกยาวแต่เราไม่ต้องไปแต่งมันหรอกมันออกมันเข้าของมันเองเอาเป็นแต่เพียงคอยรู้ท่านเองคอยรู้ลมออกลมเข้ามีเราลมเข้าก็ให้รู้ลมเข้ า, า, ข า, า, า, ขาแต่ไม่ต้องตามลงไป ไปถึงทองถึงสะดือเลยไม่ต้องหรอกไม่เอาปานนั้นอันนั้นสำหรับคนฝึกใหม่คนที่ทำยังไม่เป็นเขาให้กำหนดแต่ปลายจมูกจนถึงท้องกำหนดไปกำหนดมาอ ย, อย่างนั้นแหละ เราหนุนดูท้องยุบพองวอามันพองขึ้นก็ลมเข้าทามันยุบลงก็ลมออกอันนั้นก็ไม่อันนั้นก็ไม่ต้องทำให้เพียงแต่ว่ารู้ลมเข้าลมออกเท่านั้นเองคอยรู้อยู่จุดเดียว จุดที่เรากำหนดลมได้เลยกำหนดความรู้สึกได้หละในจมูกของเรานี่แหละให้คอยรู้อยู่จุดนั้นให้ได้คอยรู้อยู่จิตของเราจะมีกําลังขึ้นกําลังขึ้นจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนน้ําหน้าฝนเนี่ย ฝนตกอยู่เรื่อยน้ำเต็มบ่อเต็มแอง่งเต็มสถานที่ทั้งหลายที่สามารถรองรับน้ำได้ก็เต็มขึ้นเต็มขึ้นจิตใจเราก็เหมือนกันถ้าทำทุกวันทุกเวลานาทีหาโอกาสทำรักที่จะทำพอใจที่จะทำทั้งรักทั้งพอใจ ที่จะทำอย่างนี้ไม่นานมันก็เต็มจิตมนก็สงบเมื่อกิตสงบแล้วก็เอาจิตที่สงบไปพิจารณาอัตภาพ ต, ตัวตนของเรานี้ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นโุกเป็นหน้าตาใจเราก็วางความยึดมั่นถือมันได้ก็เป็นพารีบุคคลในคุสศาสนา แต่ว่าเราตอนนี้ยังไม่สอนเรื่องนั้นตอนนี้จะสอนดูว่าใจของกฎนี่สู้ไหมสู้ออกับการปฏิบัติแบบนี้ไหมแบบที่นั่งนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกเราพอทนได้ไหม พอต่อสู้ได้ไหมเราจะลบชนะไหมกับมารมันกั้นกลางเราหมดเราทำอย่างนั้นมันไปอย่างนี้มันแก้มันเอาอยู่นั่นแหละไม่เอาทางหนึ่งก็เอาทางหนึ่งให้ทำใจให้สบายหายวิตกกงังวล ทำใจให้นิ่งให้แนวแน่ให้นิ่งอยู่กับลมหายใจนั่นแหละถ้านิ่งแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรอีกอเรียกว่าใจเป็นหนึ่งอคอยรู้ใจเป็นหนึ่งล้วว้ คอยรว้ฉันข้าวมือเดียวทานข้าวมือเดียวมันก็ไม่หิวเพราะมีอะไรให้กินอยู่มันไม่หิวมันทนได้ให้อดโทษเอามันไม่ยากเกินไป ถ้ายากพระพุทธเจ้าไม่สอนไว้หรอกต้องทำได้ถ้ารักที่จะทำพอใจที่จะทำให้คิดว่าเราเกิดมาครั้งนี้โชคดีที่สุดเรามีโชคที่สุดเราได้เกิดเป็นคน ถ้าเป็นเกิดเป็นทุกิ้งจกตุกแกเป็นนกเป็นหนูเป็นกระรอกก็แต่เราไม่มีโอกาสที่จะฟังทำเข้าใจเลยเราไม่มีโอกาสที่จะฟังทำก็เข้าใจเป็นอาภัพบุคคลบุคคลที่อาภัพ อวาทศสนาอาภาพอับวาทศสนาไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้แต่พอเราเมาเกิดเป็นคนเราสามารถฟังทำเข้าใจและสามารถทำได้ด้วยสามารถบรรลุมรรคผลได้มันเป็นโชคเป็นลาภเป็น ความดีของเราจริงๆมันเป็นบุญของเราจริงๆที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดเป็นอย่างอื่นนะ่ยมันมากโคตัวหนึ่งมีเขาอยู่สองเขานั่นแหะคนที่ไปสู่สุคติมนุษย์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหม เท่ากับเขาโคสองเขาอันเนี่ยน้อยมากแต่คนไปสู่ไบยภูมิคือไปสู่ภูมันต่ำมีความเป็นสัตดิสานเปรตสุรกายสัตว์นรกแปรตขุมตั้งแต่ สันติวัโรกจนถึงอาวียีมหานรกคนไปเกิดในภูมิเหล่านั้นเหมือนกับเขาโคเเพราะอะไรเพราะคนไม่ได้ฝึกปฏิบัติทำคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนว่าให้มีกายสุจริตเราก็ไม่ได้ทำให้กายสุจริตสอนว่าวจีสุจริตเราก็ไม่ได้ทำวจีให้สุจริตสอนว่ามโนสุจริตเราก็ไม่ได้ทำให้มโนสุจริตกายใจในทางที่ดีเราไม่ได้ทำ กายวาจาใจในทางที่ดีเราไม่ได้ทำชื่อว่าเราประมาทมากมันก็เป็นคนโกโดยเฉพาะการมานั่งสมาธิอย่างนี้ไม่เป็นคนโกททำกายสุจริตไม่เป็นคนโกได้ไปสุขติได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นเทพเป็นทเทวดา พูดง่ายไม่ถูกตำถ้าเราทำความดีไว้หรือกายวาจาใจและวทำความดีไว้ด้วยการปฏิบัติฝึกหัดอบรมกรรมฐานหรือปฏิบัติดีเล่นเพื่อให้จิตเข้าถึงอัตถึธรรมเข้าถึงมรรคผลเข้าถึงนิพพานเราได้ทำแล้ว เรามาไกลแสนไกลภาคใต้ก็มีภาคเหนือก็มีอีสานก็มีภาคกลางยิ่งเยอะปริมนทนก็เยอะมีแตคนมาได้ประโยชน์มากคนเหล่านี้เป็นคนนีบุญคนที่ได้มีโอกาสปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ย เป็นคนมีบุญธรรมะคำสอนพระเจ้าถือไว้เรียนไว้ศึกษาไว้เนี่ยก็ดีอยู่แต่เราไม่ได้เอามาปฏิบัติมันก็เหมือนเราอมเม็ดถั่วอมเม็ดถั่วนี่เป็นยังไงอมไว้ก็ไม่รู้รสชาติ ไม่รู้ว่นเป็นยังไงมันจะมันหรือจะข ม, มจะเปรี้ยวอะไรก็ไม่รู้จับอมไว้เฉยๆแต่พอเราขบเพาะเท่านั้นเนี่ยินรับรสก็รู้ทันทีว่าออมีรสมั น, น, นกินเข้าไปในท้องในไส้ก็อยู่ได้ไม่ตายเป็นอาหาร มันเป็นอย่างนั้นถ้าเราได้ไปลงมือปฏิบัติมันก็เป็นความดีเหมือนกับเราหบเม็ดถั่วเนี่ยเกี่ยวเม็ดถั่วเนเรารู้เลยว่าจิตเราสงบหรือไม่สงบจิตเราฟุ้งซ่านลำคาญใจด้วยเรื่องอะไรบ้าง เราคิดนึกไปต่างๆเรื่องอะไรบ้างเรารู้เลยเรารู้ใจของเราเลยใจของเราสบายหรือไม่สบายเราก็รู้ใจสงบหรือไม่สงบเราก็รู้ถ้ารู้ใจแล้วก็รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่รู้ใจก็ไม่รู้อะไรเลย พอใจเป็นผู้รู้ผู้รู้ในทางตาตาเห็นรูปชอบก็มีไม่ชอบก็มีหรือเฉยเฉยก็มีตาเห็นรูปรูปที่เราชอบก็มีที่ไม่ชอบก็มีที่เฉยเฉยก็มีหูฟังเสียงหูเราฟังเสียง รู้ว่าเสียงดีเสียงไม่ดีจมูกดมกลิ่นลิ้นริมรสกายถูกต้องสัมผัสทั้งหมดนี่ใจเป็นผู้รับรู้หมดรับทราบว่าเออสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้รู้แล้ะ เราปฏิบัติธรมนี่เราก็รู้เลยรู้ว่าใจของเราสงบหรือไม่สงบเรารู้บอกตัวเองได้เลยว่าเราไม่สงบไม่สงบจะทำยังไงหรอวะ น, นี้ถ้าไม่สงบถ้ามันไม่สงบก็ให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นแหละ มันก็สงบเอาใจไว้กับลมหายใจเขา้าเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่ละเอียดลงไปสั้นก็รู้ยาวก็รู้ทั้งออกและเขา้านั่นเราสามารถรู้ได้สามารถปฏิบัติตามได้ เราโชคดีบุญเรามีเราทือเลยมาปฏิบัติเราสั่งสมกุศลไวมากเคยทำบุญทำกุศลด้วยกันมาพราะได้ข่าวได้ข่าวก็เกิดจิตใจอยากจะมาบางคนมาสองครัง้งสามครัง้ง ก็ได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆจิตก็บริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆ อ, อยู่บ้านมันก็วุ่นวายหน่อยไม่มีโอกาสที่จะได้ทำเป็นรูปแบบไ ม, ไม่ได้ทำเป็นรูปแบบถ้าความถ้าเข้าใจก็ไม่เป็นไรไม่ได้ทำเต็มรูปแบบก็ไม่เป็นไร ให้คอยเฝ้าดูใจของเราอยู่เรื่อยๆคือเฝ้าดูลมนะ่ะเฝ้าดูลมหายใจของเราหนะอยู่เรื่อยก็ชื่อว่าเราได้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาถามีเวลามากมีเวลาพอสักสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีเราก็นั่งเป็นรูปแบบคืออย่างที่เรานั่งอยู่นี่แหละ คอยกำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นใจของตนอยู่ตลอดเวลาใจมารู้ไหลรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกพอใจรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใจไม่คิดนึกอย่างอื่นเลยเรื่องทั้งหลายที่เราทํามาในตอนกลางวันเราก็ดับลงด้วยการกําหนดรูใจคือลมหายใจน่ะ พอกำหนดรวมหายใจใจก็สงบใจก็ตั้งเที่ยงตั้งมั่นเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวทำไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยอากาศก็ไม่ร้อนเย็นสบายดีอยู่ผลก็ไม่ตก ก็ดีเื้นกันไปหนไหนมาไหนทางโยกโกลมก็จะได้ไม่แช่จะเดินจงกลรมเดินโยกโกรมเรมื่อเช้านี้เป็นยังไงก็ไม่รู้ทำได้หรือเปล่าทำเป็นอยู่แต่ทำทาได้อยู่แต่ยังไม่เป็นถ้าก็าทำได้แต่ยังไม่เป็นก็ถือว่าเรามาฝึกหัด เราจะให้ได้เหมือนคนที่ทำเป็นแล้วสลาดในการรักษากจิตอยู่ที่ลมหายใจแล้วอันนั้นเขาทำมาบ่อยเขาทำเรื่อยถ้าจะพูดให้มันยืดยาวไปก็เรียกว่าชาตินี้ก็ได้ชาติที่แล้วก็ได้ทำชาติคนก่อนโน้นเราก็ได้ทำไว้มาชาติปัจจุบันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาทำอีก อคุบ า, าอาจารย์ของเราแนะนํำพำสอนเปิดเผยเปิ ด, ป ด, ปดโอกาสให้ญาติโยมได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมเอากําไรชีวิตทําเอากําไรชีวิตชีวิตเกิดมาก็ทํามาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตไปทําความดีความงามไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไป รักษาสิ้นห้ารักษาศิ้นแปดไปรักษาใจไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไปแต่ยังไม่ได้มากผนแต่ถ้าทำสมาธิปรสนาแล้วนี่ทำป็นแล้วนี่มันก็มีความดีที่เรียกว่ามากผลเกิดขึ้นได้กับใจของบุคคลผู้ปฏิบัตินั่นแหละ ท่านหลวงตาหาบัวท่านว่าได้อะไรก็สู้ได้ใจไม่ได้คือท่านพูดตามหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นว่าได้อะไรก็สู้ได้ใจไม่ได้ถ้าได้ใจแล้วก็คือได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเห็นใจแล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นอย่างนี้ ให้รู้อย่างนี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติจนเห็นใจเป็นหนึ่งใจสงบเป็นหนึ่งนื้อมันเดียวคิดนึกอะไรก็ไม่คิดนึกฟุ้งซ่านอะไรต่างๆก็ไม่ฟุ้งซ่านอาจารย์ เปิดนิวรณห้าอ่านให้โยมฟังดูนิวรณห้ามีอะไรบ้างภิสุททั้งหลายนิวรเป็นเครื่องกลางกั้นห้าอย่างเหล่านี้เมื่อท่วมทับจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกำลังมีอยู่ห้าอย่างคือนิวรณ์เครื่องกลางกั้นคือการมัชนชะ เม e? ja. ja. ja. ja. ja. ja. ื่อครอบงําจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกําลังนิวรณ์คือเครื่องกางกั้นคือพยาบาทเมื่อครอบงําจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกําลังนิวรณ์เครื่องกางกั้นคือตีนามิทะคือความง่วงเหงาเหงานอนเมื่อครอบงําจิตแล้วทำปัญญา ให้ถอยกำลังนิวรณเครื่องกลางกัน้นคือความฟุ้งซ่าน ร, รำคาญใจคืออุทธัจจะกุกุจจะเมื่อครอบงำจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกำลังนิวรณเครื่องกลางกัน้นคือความเคลื่อบแคลงระแวงสงสัยเมื่อครอบงำจิตแล้วทำปัญญาให้ถอยกำลัง พิสูทั้งหลายสนิมแห่งทองหประการเหล่านี้เป็นสนิมที่ทำให้ทองเศร้าหมองมีเนื้อไม่อ่อนไม่ควรแก่การงานของช่างทองไม่ทรงรัศมีมีเนื้อร่วนและไม่เหมาะสมแกการกระทำของช่างทองสนิมห้าประการคือเหล็กโลหะดีบุตกตะกัวและเงิน เมื่อใดทองปราศจากสนิมห้าประการเหล่านี้แล้วทองนั้นย่อมเป็นทองที่มีเนื้ออ่อนควรแก่การงานของช่างทองมีรัศมีเนื้อไม่ร่วนและเหมาะสมแก่การกระทําของช่างทองถ้าใครปรารถนาจะกระทำเครื่องประดับต่างๆเช่นแหวนตุ้มหูสร้อยคอ หรือสุวรรณมาลาก็ตามก็สำเร็จประโยชน์แก่เขานั้นนี่ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสนิมแห่งจิตห้าประการเหล่านี้มีอยู่เป็นสนิมที่ทำให้จิตเศร้าหมองไม่อ่อนโยนไม่ควรแก่การงานของจิตไม่ประพัดสอนเป็นจิตรุนเรและไม่ตั้งมั่นโดยชอบ เพื่อความสิ้นไปแห่งอสวะสนิมแห่งจิตห้าประการคือกรรมชันทะพยาบาททีนะมิทะอุทธจกุ ก, กุจจะและวิชิกิชาเมื่อใดที่จิตของเธอปราศจา ก, กเรื่องเศร้าหมองห้าประการเหล่านี้แล้วจิตนั้นย่อมเป็นจิต ที่อ่อนโยนควรแก่การงานของจิตเป็นจิตประพัดสอนไม่รวนเรและตั้งมั่นโดยชอบเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะได้นิวรณห้าเป็นเครื่องเครื่อกลางกั้นไม่ให้บรรลุความดีไม่ให้ถึงมรรคผลนิพพาน ไม่ให้ได้ฌานได้สมาธิสมบัติไม่ให้ได้สิ่งที่ดีงามมีคำฉันทะเป็นต้นความฟุ้งซ่านลาคาญใจเห็นไหมความฟุ้งซ่านลาคาญใจก็เป็นอันหนึ่งที่กั้นกิจของเราไม่ถึงความดีไม่ให้ถึงซึ่งความสงบนิวรณ์ห้า เป็นเครื่องกลางกัน้นกั้นกลางไม่ให้บรรลุคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธินี่แหละเพื่อมากักเพื่อผลเพื่อพระเนพลา น, นี่แหละมันยิ่งกั้นดีขวางทางไว้ทุกอย่าง มันไม่เห็นลมหายใจเข้าออกหรอกคิดไปถึงบ้านถึงเรือนคิดไปถึงลูกถึงเลือดหลานเขาจะเป็นยังไงนาะป่านนี้เขาจะอยู่สบายหรือเปล่าเนาะเขาจะร้องไห้หรือเปล่าอะไรต่อไม่อะไรคิดอยู่งั้นอ่ะอืม โน่นเวลาผ่านไปสิบนาที น, นึกึก็ได้โอ้เอาเข้ามาที่ลมอีกพออยู่ๆกับลมก็ถอยวับอีกไม่รู้เรื่องเลยก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอีกกว่าใจจบได้โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นให้พยายาม อย่าให้สมาธิเราเสียไปให้คอยเฝ้ารู้ดูอยู่เห็นอยู่ให้ใจเราเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่มันไม่เป็นของยากสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วมันเป็นการยากมากสำหรับคนที่ทำไม่เป็นหรือคนที่ไม่มีศรัทธา ถ้าคนที่มีศรัทธาแล้วจากวันนี้ก็ตามต้องเอาให้ได้เราต้องทำให้ได้มรรคผลชั้นใดชั้นหนึ่งตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเราจะต้องเอาให้ได้เอาให้เกิดให้มีขึ้นในใจของเราให้ได้ มันจะยากง่ายปัน่นใดก็ตามเราจะไม่ยอมถอยเลยเราจะทำจะปฏิบัติเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาปันใดก็ช่างอันนี้เราอยู่ห้องแอร์เราไม่ได้จากแดดอยูอ่เราอยู่ห้องแอร์อากาศก็เย็นสบาย ไม่ต้องพัดต้องวีก็ได้อากาศก็เย็นอยู่แล้วต้องต่อสู้ต้องรวมจิตรวมใจเข้าไปให้เป็นหนึ่งให้ได้เราจะทำใจให้เป็นหนึ่งเราก็ต้องรู้ว่าลมหายใจเป็นยังไงเข้าออกอยู่หรือเปล่า เรากหนดรู้ได้ไหมนี่แหละให้ทำไปทำไปความท้อถอยอย่าให้เกิดขึ้นโดยมากสองสามวันมันจะท้อถอยเพราะร่างกายมันไม่ไม่เคยทำมานานหลายปีแล้วบางคนกว่าสามสิบี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีไม่เคยทำมา ไม่เคยทำอย่างนี้พอมาําเข้าก็รู้สึกว่าเหนิดเหนื่อยเมื่อยล้าเลอเกินมันเป็นที่ยมแต่ยมเมื่อไหร่แม่ถ้ามาก็เหนื่อยเหมือนกันอายุก็หกสิบกว่าแล้วเหนื่อยเมื่อยเหมือนกันเทศอยู่นี่เกินเมื่อยตามเนื้อตามตัวตามแข้งตามขาอยากหลับอยากนอนอยากพักผ่อน อยากอยู่เชื่อๆอยากกำหนดรู้ลมอยู่ธรรมดาธรรมดานี่อยากอยู่สบายๆแต่ก็สบายไม่ได้จะไปทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาตาโยมมามากจนเต็มศาลาแน่นเปียะเลยหาทางเดินแทบจะไม่ได้แล้วเราจะมานอนมา ทำเฉยอยู่ได้อย่างไรเราก็ต้องช่วยเหลือทุกคนให้ได้ผลได้ประโยชน์ชาตินี้ให้มีความหวังให้มีความหวังไม่ให้ผิดหวังขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งใจทำอย่าถอยอย่าท้อว่ามันเหนื่อยมันเมื่อย มันในหม่ก็เป็นงั้นแหละเราไม่เคยทํามาก่อนเลยส่วนพิที่เคยทํามาแล้วก็ดีขึ้นไปอีกพิจารณาอะไรก็แจ่มแจ้งขึ้นไปหมดใจก็สบายสงบเยือกเย็นทีหลังก็อยากมาอีกทีหลังก็อยากมาอีกอันนั้นเดี๋ยวผู้ที่ถือเอาประโยชน์ถือเอาประโยชน์ของตนคือทําใจให้สงบเป็นหนึ่งนี่แหละ เนี่ยว่าถือเอาประโยชน์ของตนเองถ้าเราทำไปทำไปยิ่งดีขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าหลายทถ้ามีคูณขึ้นไป ม, มีมากมีผลเกิดขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่และคนว่าใครจะไปถึกไหนก็ตั้งใจเอาปฏิบัติเอาให้มันได้ มันก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลมันก็อยู่แค่ลมหายใจนี่ปล่อยวางก็ปล่อยวางอยู่นี่แหละละก็ละอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละถอนก็ถอนที่ที่นี่เลิกก็เลิอกอยู่ที่นี่แหละในมากได้ผลก็อยู่ที่นี่แหละเอาให้มันได้เอาให้มันเป็นเอาให้มันเกิดให้มันมีขึ้นมา ในดวงใจของเราใจมีมากมีผลใจก็ไม่ตกต่ำใจไม่ตกต่ำใจสูงส่งใจประเสริฐเลื่อลอยผู้ที่ได้เป็นพระโสดาบั น, นท่านว่าไว้คือพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ เป็นใหญ่ในพืชปัตจพีอันนี้ก็สู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้เป็นใหญ่ในพืชปัตจพีก็คือเป็นเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิปกครองทั่วโลกนี่สั่งอะไรยังอันหมดเลยก็ยังไม่สู้ความเป็นพระโสดาบันนพระโสดา เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิผูกครองโลกทั้งสิ้นนี่างหนีจากนรกไม่ได้หนีจากกําเนิดสเดลสารไม่ได้หนีจากความเป็นเปี ด, ปดไม่ได้หนีจากความเป็นอสุอรากายไม่ได้หนีจากความไปนรกไม่ได้ เห็นพระเจ้าพัตก็มีโอกาสตกนรกเหมือนกัน น, นั่นเนี่ยมีโอกาสตกนรกแต่เป็นพระสุรวันไม่มีโอกาสตกนรกเลยยกเว้นเป็นผู้ประมาททำให้เสื่อมทำให้มันเสื่อม ชราบัณยังเสื่อมได้ในคุณธรรมแล้วก็เสื่อมได้วิธีทําให้เสื่อมคื อ, อยังไงหนึ่งพระธรรมนิพระสองฆ์องค์เจ้าสองปฏิธรรมนิผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนื้อเพื่อนพมอาจารย์คือผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันหรือธําหนิพระสองฆ์องค์เจ้าตามอาจารย์นั้นเป็นอย่างนั้นอาจารย์ตรงนี้เป็นอย่างนี้นินทาวาา่าไร ทำนิตเตียนอันนั้นชั่ววัเสื่อมเลยถ้าไม่ได้ก็จะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงให้คารวะไว้ก่อนให้คารวะไว้บางทีเราอาจจะประมาทในพระในสงฆ์ประมาทใน ปฏิบัติทมด้วยกันประมาทในครูบาอาจารย์ถ้าเราประมาทในสิ่งเหล่านี้คือในท่านเหล่านี้ชัดาบันของเราก็จะเสื่อมสู์ไปเราก็ไปนรกอีกแต่ถ้าเรารักษาได้ไม่ให้เสื่อมสู์ไป เราไม่ตำหนีพระสงฆ์ไม่ตำหนีผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเป็นไงวะนี่จิตใจของเราก็เจริญขึ้นใจของเราก็เจริญขึ้นดีขึ้นสว่างสวัยขึ้นเยือกเย็นขึ้นไปเรื่อย ได้สวาวันแล้วก็ได้สกิทาคาได้สกิทาคาแล้วก็ได้อนาคาได้อนาคาแล้วก็ได้อรหันคืนนี้จากกองทุกได้เลยทุกใจไม่มีในพระรหันนี้ไม่มีทุกใจใจไม่ยึดไม่ถือ ไม่ยึดไม่ถือนี่ไม่ใช่หมาขวบไม่ทำอะไรหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่อะไรไม่ใช่งนคือไม่มีความติดในทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเป็นความดีทำไปได้แต่มายึดถือไว้ในใจไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นกังวล น, นี่ จะอยากให้โยมผู้มาปฏิบัติธรรมได้ฟังโทษของการตาหนิเพื่อนผู้มาจันท์ผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันอยากให้ฟังเราจะได้ความรู้จากพุทธวจนะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าในพระพุทธเจ้าว่าไว้อย่างไงจะได้ป้องกัน ไม่ให้จิตของเราเสื่อมสูญไปจากคุณธรรมให้ในเรามาเกิดในมนุษย์เพียงเกจชาติเท่านั้นเองเราก็สาเร็จเป็นพระอรหันต์ขออนุโมทอาจารย์<ม>อ่านเรื่องโทษของการตำหนีผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันตำหนีพระสงฆ์องค์เจ้าดูรือตาหนีพระสงฆ์ด้วยกันดูดพิกษุตั้งหลาย เธอผู้ใดที่ด่าบริาพาทเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งหลายติเตียนพระอริยเจ้าข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่เธอจะไม่พึงถึงความชิบหายสิบเอ็ดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งความชิบชิบหายสิเอ็อย่างเป็นอย่างไรคือหนึ่งไม่บรรลุธรรม ที่ยังไม่บรรลุสองเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วสามสัตทธรรมของเธอผู้นั้นย่อมไม่ผ่องแผ้วสี่เป็นผู้เข้าใจว่าได้บรรลุในสัตทธรรมห้าเป็นผู้ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์หก ต้องอาบัดเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งเจ็ดบอกเลิกศิกขาเวียนมาเพื่อภาพต่ำแปดถูกต้องโรคอย่างหนักเก้าย่อมถึงความเป็นบ้าคือความฟุ้งซ่านแห่งจิตสิบย่อมเป็นผู้หลงไหลทํากาละคือตายสิเ็ดเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกเธอผู้ใดที่ด่าบริภาทเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายติเตียนพระอริยเจ้าข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่เธอนั้นจะไม่พึงถึงความชิบหายสิเอ็ดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนี้มันไม่ใช่ธรรมดามันชิบหายไปเลยนะ ชิบหายเลยผิดหวังที่สุดในโลกนี่เราเกิดมาแล้วเราผิดหวังที่สุดเลยถ้าเราตําหนีพระอาลีเจ้านี่มีโทษมากที่สุดเลยเราฟังมาเขาคกเข้าใจแล้ว น, ะนั่นแหละผู้ที่จะได้เป็นพระอาลีเจ้าไม่ใช่เป็นได้ง่ายๆ ต้องปฏิบัติทำถึงจะได้เป็นอยู่ดีๆจะมาเป็นขึ้นมาไม่ได้ต้องปฏิบัติเล้งความภาคความเพียรตั้งใจอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบกระทั่งจิตใจไม่ฟุ้งซ่านส่งไปไม่ให้ดิ้นหลน่นไม่ให้เสือ่อกกรสนไม่ให้นอกลูนอกทางต้องตั้งใจปฏิบัติจริงๆ เด็ดเียวจริงๆไม่พูดถึงคนที่ทำไม่ดีคนทำไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราเนี่มันสำคัญกว่าดีไม่ดีเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผิดหรือถูกเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเพราะอะไรเขาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่สนใจเราอย่าสนใจในเรื่องของคนอื่น เขามีดีอยู่บ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาแต่ส่วนดีที่มีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยนี่เลือกเอาส่วนดีมีน้อยก็เอามีมากก็เอาส่วนดีพูดถึงแต่ส่วนดีอันนี้ท่านพุทธทาสท่านประพันธ์ไว้ ให้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่เลยตั้งใจกำหนดคอยรู้คอยเห็นอย่างนั้นแหละท่านว่าวันรลุวันเกิดวันรูลทำเกิดวันจงยกไว้หกวันบรรลุธรรม หวันจงยกไว้ห้าวันวันรุ้ธรรมห้าวันจงยกไว้หนึ่งวันบรรุ้ธรรมฟังเทศตอนเช้าตอนเย็นก็ได้บรรลุฟังเทศในขณะนั้นบรรลุในขณะนั้นนี่ถ้าเราปฏิบัติเป็นอย่างนี้ จิตของเรานั่นแหละบรรลุบรรลุธรรมเขาว่าธรรมนี่ไม่ใช่ว่าหมอผีนะหรือหมอธรรมหมอผีไม่ใช่อย่างนั้นบรรลุธรรมก็คือบรรลุเข้าถึงอริยสัจธรรมอริยมรริยผลเข้าถึงความเป็นผู้ดได้บรรลุสิ่งที่ประเสริฐตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว คือมรรคผลผนิพพานคือเป็นพระสวดารันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพผ้านาคามีเป็นพระ า, าระหันแนวบรรลุธรรมบรรลุคือใจเหนือกิเลสขึ้นไปว่างั้นนะจะกิเลสอยู่ใต้อํานาจของเราทำสูงส่งทําใจของเราให้สูงส่ง ใจของเราสูงส่งใจของเราประเสริฐใจของเราดีใจของเราละเว้นความชั่วทั้งทูกปการเราได้มรรคแปดในใจในสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังฆปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบ สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติชอบสัมมาสมาธิมีใจเป็นสมาธิชอบนี่แหละเราได้อันนี้ขึ้นมาในตัวของเราในใจของเราส ม, มาธิที่เกิดขึ้นที่ตัวเราคนเหล่านี้ไม่ไปนรกเลย มาเกิดอย่างชา้าที่สุดเกิตชาติท่านเองหรือบางทีได้บรรลุเป็นพระสวับัณ์ในตอนตอนหนุมนี้ตอนแก่เท่ามาได้บรรลุเป็นพระละหันถ้าปฏิบัติไม่ไม่ท้อไม่ถอยอายุมากขึ้นทำไปนานเข้าได้บรรลุเป็นพระลหันเลยเป็นโชคเป็นลาภเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีของเราที่สุดในโลกเลย ที่เราเกิดมาเรามาได้อย่างนี้ผู้ที่ได้แล้วโอ้ยมีความสุขใจรู้จักทำบุญทำกุศลส่งส ม, งสมคุณงามความดีทำหน้าที่การงานดีทำอะไรดีหมดพยายามทำแต่สิ่งดี ด, ดีมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้น ยิ่งปฏิบัติไปก็ยิ่งดีไปใจเราเนี่ยแหละมันดีใจเราดีแล้วอะไรก็ดีหมดถ้าใจเราไม่ดีแล้วอะไรก็ไม่ดีด้วยเรื่องอื่นก็ไม่ดีถ้าใจเราดีแล้วอะไรก็ดีหมดใจถึงธรรมแล้วก็คือถึงมรรคแปดนั่นแหละนั่นแหละถึงอริยสัจสี่นี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกคือความทุกข์กายทุกข์ใจอืา สมุทัยเห็นให้เกิดทุกนิโรธความรดับทุกขมากมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิเกิดขึ้นในกิจในใจของเรานี่แหละทางดำเนินชีวิตของเราเพื่อความพ้นทุกอยู่แปดสายนี่เอง องแปดแปลว่าประกอบกันทั้งแปดอย่างคือสัมมาทิฏฐินะพอเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไรเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายความโศกเศร้าเสียใจความพิัยลำพันความตี่อกชกตัวนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอยตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อย จะเทศให้ฟังเรื่อยๆ อ, อย่าแนะนำแนวปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นไปอีกแต่วันนี้สำหรับการแสดงธรรมก็เย็นสมควรเก็บเวลาขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจทำความสงบต่อไป